เรื่องทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนสมัยนั้นผ้ากรรมพลราคาแพงซึ่งเป็นบริขารประจำเสนาสนะเกิดขึ้นแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้